ตอนนี้ไปตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิให้ได้ทุกๆคนทั้งหญิงชายจะตีว่าปวดแข้งปวดขามันได้ตีทุกวันพระพุทธเจ้าท่านนั่งได้ถ้าจะว่าทางลูกกายท่านก็เรียกว่าสวยสดงดงาม นางกายพระพุทธเจ้านั้นเป็นลูกเท่าขยามหากษัตริย์ไม่ได้ทำไล่ไหนาเมื่อท่านเด็จออกบรรพชาท่านยังนั่งสมาธิได้นั่งคัดสมาธิได้ยังไปฟังคนสมัยนี้พระสมัยนี้ พระขีดเกียดขี่ข้านกินแล้วก็นอนเหมือนสุกรบรูจับเต่มก็ไม่สำคัญในการนั่งคัดสมามิเพชรไม่เพชรนั่งตามใจชอบของขานนังนดีที่สุดนะไปนั่น พวกอยกู่กรุงเทพก็ว่าต้องนั่งในห้องแอร์ไม่ร้อนถ้าไปนั่งนอกห้องใหญ่กวนได้เหือออกนั่งอลไรมันเปลี่ยนไปเอยนั่นการนั่งคัดสมาธิความจริงระเบียบธรรมเนียมต่างๆ มันเป็นเครื่องฝึกเพื่เครื่องฝึกเครื่องหัดยาว่าไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์อยู่เหมือนทุกคนที่เกิดมาในประเทศใดก็ตามเขาให้เรียนหนังสือตั้งแต่เด็กเล็กตั้งแต่อนุบาลมาจนถึง เรียนปถมมัธยมทำไมหนังสือมีอยู่จะให้มันเรียนเองได้หรือมันก็ไม่ได้หนังสือนั้นต้องมีครูบังคับอีจริงไม่ใช่บังคับหนังสือบังคับคนบังคับเด็ก บ, บังคับพวกเราที่เรียนหนังสือถ้าลองโยนหนังสือให้มันเรียนเองก็บ่ได้ละมันบ่ตั้งใจเรียนทีนี้ให้ครูสอนครูสอนไม่ใช่สอนเตะปากถ้ามันบ่เอามันก็เครียแล้วตีเอา นี่เด็กมันก็กลัวครูกลัวกวากลัวพ่อกลัวแม่พอแม่มันไม่กลัวกลัวครูแล้วนะครูมันเขียด น, นะจึงเรียนหนังสือได้พ่อเขียนออกได้เขียนได้อ่านออกอันนี้เด็กเกเรบางคนมันก็ไม่เอาทาน ก่อนว่ามันเขียนกระดาษจยางนี้เขาเอากระดานดําทํากระดานมาให้เขียนในกระดานเวลาไปโรงเรียนมันก็คว้างกระดานไปก่อนแตกเติบมันไม่เกี่ยวละกว่าจะถึงโรงเรียนกระดานก็แตกและมันมีที่เขียนหนังสือแล้ว พวกเด็กเกยเยมันบะไเรื่องแม่จะเล่นจบมหาวิทยาลัยในประเทศแล้วนนก็ไปเรียนนอกไปเรียนนอกมันก็โกหกเอาเงินข่อเงินแม่ไปจ่ายเที่ยวเตะเล่นหนังสือมันก็ไม่เรียนอีกบางคนก็กลับมาว่าจบแล้วจบว่จบว่ามัว ก็ขี้เกียจทำงานอีกมันสมัครมีสมัครที่ไหนก็เฮโลกันไปสมัครเป็นหมื่นเป็นแสนกันบได้ตัวสอบบดได้ก็ว่าโอ้มันรัฐบาลบอช่วยนะตัวเองบอช่วยตัวเองจะปไปให้รัฐบาลช่วยได้านงะ แผ่นดินที่ตนเดินไปมากา็แผ่นดินนะั่นแล้ ว, ว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำในเรียนมากก็่ได้กับขี้เกียจมากขึ้นไปอย่างนี้ใส่ไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์รู้โรค ก, กิเลสในใจมนุษย์ ท่ท่านจะโลภ ก, กิเลสในใจมนุษย์คนอื่นเทวดาอินพรหมได้ท่านก็โลภใจของท่านท่านเรียนท่านศึกษาโูภจากกิเลสราคะโทสะโมหะอันมันมีอยู่ในใจของพระองค์นั่นเองเมื่อยังเลิกไม่ได้ละไม่ได้ยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของกิเลสราคะโทสะโมหะ พระองค์เรียนรู้เอามาพิจรารณาแจงแจงแล้วก็เอามาสอนสาวกในสมัยนั้นกิเลลาคะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรพระองค์เพ่งในจิตในใจตามเข้าไปดูล่างกายมันได้มาจากไหน มันได้มาจากกรรมมาลาคะกิเลสมนุษย์ผู้เป็นพ่อเป็นแม่สืบเชื่อสายกันมาไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติเกิดมาชาติใดก็มาหลงอยู่ในการมมาลมการมมากิเลสไม่มีปัญญาที่จะตามรู้เห็นว่ามัน เป็นมารล้าใหญ่ที่สุดงานมนุษย์ก็ตามสัตว์ทั้งหลายก็ตามแม่กระทังตัวเล็กเลกเลิ้นยุงที่มากัดคันตามตัวเรามันก็มีการบริโภคการมาสขการมาคุณ การที่เรายังลุ่มหลงมัวเมาในกิเลส ก, กามในกามมาคนอยู่คือปัญญามันเท่ากันกับยงนั่นแหละ ย, ยงมันก็บริโภคกรรมได้มัดตัวน้อยน้อยลื่นหลอดมันก็บริโภคกรรมเป็นตัวขึ้นมาได้เราเป็นมนุษย์ ได้พบพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลภาวนาเราก็ไม่สนใจไม่เพียนเพ่งดูร่างกายสังขารของเราเองมายึดมาถือว่าตัวกูของกูตัวข่าของข่าตัวเราของเราจะนั่งสมาธิภาวนาก็อ้างโน้อนอ้างนี้ ไม่ลงภาวนาไม่เดินจมกรมไม่เล่งความเพียรเห็นแก่ความสบความสะดวกเล็กเล็กน้อยน้อยก็อยู่ไปกินไปนอนไปเวลาความตายใกล้เข้ามาเอาแล้วตาเหลือบตาลานกินมาก ปลาทูปูเข็มขนมต้มไก่กินเข้าไปจะเกิดท้องเสียล่ะท้องทายท้องทายก็ไปตี่าแม่ครัวทำบุสุกบ้างทำให้เกิดพิษบ้างบ่เห็นว่าตัวตัวไปกินมันบ่ใช่มันมากินเราเราไปกินมัน มันเกิดเจ็บท้องเจ็บไตขึ้นมาได้เข้าโรงพยาบาลนั่นเห็นว่าสมัยหลวงปู่มั่นเข้านิพพานานานมาหลายสิบปีแล้วแน่นสมัยพระเน่นสมัยนั่นซ้ำ ไม่รู้ว่าไปกินยังไนงะกินกระดูกไก่เข้าไปเอาแล้วจึงเดือดร้อนเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลสกลมันก็ยังอ่อนความรู้ต้องไปนนทนุรบรานนนทบ้ใหนหมอแก้ไขกระดูกไก่มันเข้าไปขวางเข้าไปขวางคอ บอกญาติโยมได้ข่าวว่าให้เกิดนไปทําไวันก็ บ, กบรรดีตัวเองญาติโยมรู้ว่าไป น, นั้นต้อง้าวนาดูให้ดีต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านว่าให้เป็นผู้มักน้อยอาหารการกินนั้นให้ถือว่า มันเป็นเครื่องประทังชีวิตให้เป็นไปชั่วระยะวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเองจะไปฉันมากกินมากจนกระทั่งมันย่อยไม่ไหวย่อยไม่ไหวก็เกิดเจ็บท้องเจ็บไส้ขึ้นมาพอท้องไส้มันมีกำหนดกฎเกณฑ์อยู่ ก่อนดูจะ ถ, ถุงหลงพี่นะ่ะเอาหยั่งยัดเข้าไปจนเต็มถุงถุงก็ขาดง่ายละ่ะก็เพราะพุงคนเนี่ยมันกันมันก็นเหมือนถุงหลงพี่พายไปพายมาเอาหยังใส่เข้าไปมากเกินไปก็ขาด พระพุธเจ้าท่านสอนนะให้มักง่ายนะให้มักน้อยนะภาวนาอย่ามักง่ายอย่ามัวไปถามอาตัตบอนจะได้มักผลนิพพานง่ายๆพระองค์ใดที่ท่านสำเร็จข้าพเจ้าก็อยากได้อย่างนั้นคือจะเอาแต่ที่สำเร็จไอ้ที่นั่งภาวนาทำเหตุการณ์ที่จะ เป็นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจมันว่าเอาหมดตั้งใจในสมัยครั้งพุทธกาลเป็นก็มีเพือพระภิกษุเมื่ออยู่จามบรรษาหี่อยู่กับวัดมันสะดวกสบายก็นอนง่ายมื่อกายนาาับัก บอกภาวนาออกพรรษาแล้วก็ชวนกันไปทุ ด, ดงทุ ด, ดงสมัยโบราณข้างพุทธการมันบูเหมือนทุ ด, ดงรถยนต์เหมือนสมัยนี้มันเป็นสมัยเสือกินคนตกมาสมัยนี้มันสมัยคนกินเสือ วนกันไปทุ ด, ดงล่ะเข้าในป่านี่ดงสมัยน้นพอตกเทียงคืนมาเสือโคร่งก็ตะคบอง์หนึ่งะเสือโคร่งตัวเท่ามาเนี่ยตะคบก็ล่องโวยล่องวายเพื่อนสามสี่องมาเอ๊ะเพื่อนเราเป็นอะไรกันไม่รู้ มาก็ล่องให้ช่วยจุดไฟมามาเห็นเสือโคงงล้วก็เลยไปใกล้กับบัวใดบันลงกี่สามสี่องค์ก็บรรุกกล้าสละชีวิตไปช่วยองค์นั้นได้ก็ไม่จะล่องบอกว่าเออทันเลยหมดต้องลองหาใครแล้ว ท่านเรียนคำภาวนาคำสอนอาจารย์อุปชาอาจารย์มาอย่างไหท่านก็ให้รีบภาวนาแล้วเสือโค้งนะใครไปช่วยพอได้องค์ใดไปช่วยองค์นั่นก็ตายอาจจะตายก่อนท่านก็ได้ลองบอกทั้งสามสี่องค์เลยได้สติขึ้นมาเด็กูกนะูมันถึงขั้นตายโดยยังจะไปห้องหาใครอีกภาวนา พุทธพุท ร, ท ร, รวมจิตใจเข้าไปจนได้สำเร็จในเวลาเสือตะคอกกินอยู่นั้นแต่เสือนั้นมันกระบอกกินมันเต็งทั้งหัวทั้งหน้าอกไว้มันกัดกินทั้งตีนมัดเข้ามากินตี น, ตนล้วก็กินแคง กินแข้งกินเขากินขาพอมาถึงขั้นกินขาเนี่ยกัดปวดตบเี่ยวกืดลงท้องเสือกระดูกมันย่ำได้เป็นย่ำเพราะเพราะเจ้าของก็ฟังอยู่เอมันตายแท้โดนภาวนาเลยได้สำเร็จก่อนก่อนมากินท้องยังบาถึงท้องยังพูดได้อยู่บัณ จิดมันกับคนทุกไปได้นีนได้สำเร็จในปากเสือครับ ข, ขันครับ ข, ขันอยู่บ้างในเล่เราทุกคนที่บวชในศาสนานะเราจะเอาแบบสำเร็จในปากเสือหรือจะเอาสำเร็จ ที่คาดนอนตื่นหลังไก่ป่ามีเยอะสมัยเนยี้ยยิงจนญาติโยมพวกญาติโยมอยู่ในกรุงเทพพวกหนึ่งชอบทําบุญคาทานกับพระที่อยู่ในกรุงเทพพวกหนึ่งเขาไม่ยอมทําไปหาทำกับพระ อยู่ป่าอยู่เขาอยู่ที่อื่นอย่างนี้มันมันเสื่อมเสื่อมมากเนอะนานเขากว่ น, นี้หนอยเขาก็จะบทใส่บาดได้แล้วก็เดือดร้อนแนะเดี๋ยวนี้มันยังรวยอยู่เหลือบาทได้ใสค่คุ่สมัยแนตะ่ก่อนใสยย่ยามได้นี่ยามหนึ่ง บาทหนึ่ง้าบาทหนึ่งครูหนึ่งถ้าประสงสามมันเนนพาะขาวนางชีเราประพฤติบุดีก็จะถึงซึ่งความเสื่อมเมื่อมันเสื่อมไปแล้วหมดได้ พืนคืนได้ยากนนในตั้งออกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้ทอถอยให้เพียรพยายามหักตัวเองให้กินน้อยฉันน้อยลงไป ก, การฉันอาหารการบริโภคอาหารนั่น ถ้าอดลงไปมันก็หิวบ้างเป็นธรรมดาแต่มันได้ได้ประโยชน์ทางจิตใจถ้าเราโมแต่มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันอิม่มน้ำส้ำดานร่างกายอ้วนพีขึ้นมานะ่ะกิเลสราคะตัณหามันก็เลย สติปัญญาจะละจะตัดมันก็ยังไม่เกิดขึ้นมิแต่คอยจะเอาง่ายๆบุทรมานตัวเองก็เลยเึกษาล า, าเพรศายยัง ม, มีพระองค์หนึ่งชื่อเย้ยฟ้า เคยมาจำบรรษาขึ้นไปติดทงลงมาบวกิดบวกิจาจรณาทางขึ้นทางลงลงทางไปติดอยู่ภูเขาเลยนอนข้างภูเขา ด, ดีคือนน่นเสื้อค้งบาลงมาหากินทั้งนั้นถ้าเสื้อค้งมาลงมาหากินแล้ว เยื่อยฟ้าบมดไแลมันจะเยื่อยเข้าไปในท้องเสือวันงานเนี่ยเปนกับมาู่เป็นกีติตไปแล้วเพื่อนก็ บ, บอกวันนี้แล้วไอ้ช่อเยื่อยฟ้าเคยมาอยู่ที่นี่มา หลวงปู่ก็เป็นหลวงปู่เท่าจะจำกระโบได้นั่นแลนหละพออานาจกิเลสเห็นแก่กินแกนอนกิเลสราคะโทสะโมหะมันครอบงามันอยู่หมดแล้ว ที่เราได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติในเพจผมอาจารย์ต้องรีบเรนจะไปอ่อนข้อตอกิเลสความโลภในจิตยังใด จะมักน้อยยินดีสันโดดอยู่ในที่เงียบที่สงด ก, กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยไม่เป็นคนพูดมากพูดมากปากเกียดกิเลสไม่ละไม่ได้เรื่องกนเพิ่นเทศในฟังก็บวเพิ่นดาตัว คือว่าเราบก่อยสนใจในภาวนาผู้สนใจในภาวนาต้องตั้งใจกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยเดินจงกวมให้มากนั่งสมาธิภาวนาให้ได้นา น, น, าน จะเริอนพุทธมนต์สวดมนต์ให้ได้มันน้มากหมากฮัดอยู่คนเดียวให้ได้ต้องไปหาคุยกับองค์โน้อนองค์นี่เฮ่เฮ่เาฮ่าบุญได้เรื่องต้องฝึกตัวเองให้ได้หัดตัวเองให้ สมณะนักบวชมันมาให้คุกคีในหมู่ในคณะมันไม่ให้คุกคีนั่นทำอย่างไรอยู่ที่ไหนก็ทำทางจงกลมที่จะเดินจงกลมของตนหมดกิบบินธ่าบาทชันบินธ่าบาทแล้วเข้าทางจงกลมทางจมกลมก็ให้ทำเป็นที่นั่งได้ในหัวทางจงกลม เดินภาวนาพุโทโธจนเหนื่อยแล้วพนั่งหัวทางจงกลมนั่งภาวนาถ้ามันชัยจะง่วงขึ้นมาลุกขึ้นเดินถ้ามันง่วงจัดจัดเข้ามาแล้วนั่งมันก็หลับตรงมนย์ข้อพับหลับไป นั้น้ามบรีบเร่งเนี่ยได้ปล่อยตามกิเลสพาไปกิเลสพาอยู่มีหลวงตามาจากโนนอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมามาขอให้หลวงปู่เป่าหัวให้ เป็นผ้าหลวงตาแล้วก็ยังขอหวยด้วยบอกเลียดให้ด้วยนะครับเลขมันก็มีแต่ตั้นี้เลขหนึ่งถึงเลขศูนย์นั้นตั้งเลขเก้าเลขศูนย์มันก็มีอยู่หฮนเลขบวนมา่กแก่แิ่มบวชเข้าใจอย่างทั้งนั้น หน่มก็เพราะว่าอยากซึกงบทแนะนำยังไม่ไดีซึกงกิเลสนั้นจะไปตามมันหลวงพุทธเจ้าไม่ให้ตามสมัยขัางพุทธกาลเพิ่นเอามาบวชตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนั่งสมาธิภาวนาละกิเลสความโกรธโลภหลงใดเหมือนกันกับคนใหญ่ สำเร็จมาผลพวกเรานีเร็วว่าเป็นพระเป็นเนเนใหญให่ตั้งอกตั้งใจภาวนาต้องประกอบกระทำจึงจะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้ ปีบาตการกระทำนั่นแหละมันจะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่าเราจะไปคิดเอาเองว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้ละอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มันล้วนแลกแต่กลนมารยาของพยามาณกิเลสมานกิเลสมานสังขารมาณมัดจูมาน เมื่อภาวนาไปหน่อยมันก็เอาเรื่องความตายมาอย่าไปภาวนามากนั่งมากล้วก็ตายง่ายนะมันก็ว่าไปอย่าไปเชื่อมันทำให้มากจเจริญให้มากภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกนันวายนั้ น, นคือว่าให้เหมือนลมหายใจเข้าออกเข้าแล้วก็ออกไปออกไปแล้วก็เข้ามา ภาวนาพุทโธให้ได้เหมือนกับลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าท่านก็กาหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นเบื้องต้นท่านกาหนดจนมองเห็นได้ว่าความตายนี้มันไม่ใช่ว่าแต่เหตุการณ์ภายนอกลมหายใจและมันใกล้ตายที่สุดถ้าสูรลมหายใจเข้าไปเกิด ในข้างในในปอดในตับมันขัดข้องขึ้นมา mm hmm. ก็ตายได้ลมออกไปถ้าสูตรเข้าไปไม่ได้ก็ตายได้เหมือนกันท่านมองเห็นมรณะภัยในความตายทุกลมหายใจเข้าออกจนจิตใจสงบสลดสังเวชในความหลงความไม่รู้ของตัวเอง จนฝึกจิตใจให้มีความสงบตั้งมัน่นไม่หันเหไปสู่คารวะญาตโยมพุทธสาวกในขั้งพุทธการท่านึงได้บรรลุมรคนไม่ใช่นั่งรอทาเอาไม่ใช่นอนรอทาเอาไม่ใช่เล่นรอทาเอามรคนมีพานไม่มีทาง ความจริงมันก็มีอยู่ที่จิตที่ใจที่กายว่าใจาจิตของเรานี่แหละแต่ถ้าใจกิเลสมันเข้ามาแทรกแซงมันหมดได้พาเลิดเปิดเิงไปทั่วอย่าไปเข้าใจติดคิดหลงไปรวมกำลังใจให้เข้ามา พระพุทธองค์ทันจริงตัดถามพระอนนท์พูดพุทธอุปถาว่าดูก่อนอนนท์วันหนึ่งอนนท์ได้นึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระองค์ก็ตัดต่อว่าดูก่อนอนนท์วันละหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ ตองให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนะจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทลมเข้าไปสูรลมของเราตายได้เวลาลมเข้าไปนี้ก็ได้เวลาลมออกมาท่านก็ให้นึกว่าลมที่ออกมาเนี้ยเราตายก็ได้คนทั้งหลายมันตายอยู่ที่ลมเข้าลมออก จะเจ็บคข้ได้ป่วยอะไรก็ตามถ้าหมดลมเท่านั้นตายพอถาดลมออกซิเจนมันเป็นอาหารอย่างละเอียดไม่ใช่อาหารหยาบๆเหมือนก้อนเขาเป็นอาหารละเอียดถ้าลมเข้าแล้วออกมาไม่ได้ก็ตาย หายใจออกไปสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายชีวิตของคนเรามันตายได้ทุกเวลาไม่ควรประมาทควรรีบเร่งตั้งอกตั้งใจบาเพ็ญภาวนาถ้าจะเอาแค่มาฟังทำคำสั่งสอนนี่ก็ไม่พอกับเหตุการณ์ เราจะต้องเอาทุกลมหายใจเข้าหายใจออกเตือนใจอุบายใดอุบายหนึ่งอุบายใดจะถูกกับเจริญจิตใจของเราก็าให้นึกให้สอนเอามาสอนเอามาเตือนจิตทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอุบายทางนั้น เห็นใบไม้ล่วงหล่นเอาใบไม้มาสอนเห็นต้นไม้หักก็เอาต้นไม้หักมาสอนไนดะ้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนมันหักลงมาโค่นลงมาเหมือนต้นไม้เหมือนใบไม้ที่มันล่วงหล่นตายไปชีวิตของคนเรานี่มันก็ตายไปตายไปอย่าไปเข้าใจว่าเรายังหนุ่มยังสาวไม่เป็นไร เวลาจะตายก็ตายแต่หลวงปู่หลวงตาแก่ๆฟันหลุดนั่นแหละเรายังฟันดีกินข้าวอาเลดอร่อยอยู่คงไม่ตายง่ายๆอันนี้มันเป็นความคิดหลงดูในยกนี่มันเป็นยกยวดยานพาหนะพาไปมา ส่วนมากคนเฒ่าคนเก่บพค่อยตายตายคนหนุ่มอายุสิบกว่ายี่สิบสามสิบเนี่ยขับรถขับลากันยังเป็นบรมัดระวังสนกันตายเมื่อวันที่ยี่สิบแปดเข้าไปเทศในพิทยาลัยครู ในกลางทางระยะอำเภอแม่ริมไปเชียงใหม่ทางก็ดีๆไม่รู้มื่เราไปชนกันยังไงแต่ไม่ใช่รถเราไปชนเขารถเขาชนรถเขาแต่มันขวางทางอยู่นั้นแหละคนหนุ่มล่ะตายเร็วที่สุดสมัยนีย้เอาเรียกว่าสมัย คนหนุ่มคนแข็งแรงตายมากเพราะอุปัตตวเหตุรู้จะสูงกว่าตายแบบอื่นเขาว่าอย่างนั้นก็เพราะทําไปตามอํานาจกิเลสพูดไปตามอํานาจกิเลสคิดไปตามอํานาจกิเลสไม่ได้สงบกายสงบวาจาสงบจิตใจของตน ปล่อยให้อำนาจภายต่ำมาทับถมใจจนกระทั่งหลงเคิือเพล่มพุ่งซ่านลำคาญไปเวลาความตายมันเข้ามามันไม่ไหนนั่นมันเอาประเดี๋ยวเดียวละวนั้นถ้าเราไม่รีบเร่งไม่ภาวนาไม่บำเพ็ญทานไม่รักษาศีล สวดมนต์ไม่ฟังเทศเมื่อไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่สวดมนต์ก็ไม่เห็นสมณะสวดมนต์ภาวนานจะได้เห็นสมณะผู้สงบระ ง, งับผู้สงบระ ง, งับทางจิตใจ ไม่ใช่ว่ามาให้พูดมาให้ทำจืนเดินนั่งนอนพูดจาปราัยตามธรรมดาแต่ให้มีสติเตือนจิตเตือนใจของตัวเองมาให้ถลหลถล่ไปตามอำนาจกิเลสจะต้องลุกยืนหยัดขึ้นมาสู้กับกิเลสในใจของตัวเองให้ได้ เมื่อใจมันอ่อนท้อแท้ขี้เศร้าเหงานอนก็ยอมทับทงฟุ้งซ่านลำคาญก็ทับทงเก่ากิเลสราคะโทสะโมหามก็ลุกขึ้นมาท่วมกายท่วมวาจาท่วมโหมใจเผาผลาญจนเกิดภัยอันตรายไม่รู้สึกตัว น, นั่นต้องตังใจเอาจิงเอาจังให้มันได้พุทัธเมีอยู่ทุกเวลามารณะกรรมฐานเนิร์กได้ทุกเวลาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันได้อะไรไปเวลาคนเขาที่ตายไปก่อนพวกเรานะเขาได้อะไรไปเมื่อถึงตัวเราก็เหมือนกัน อย่าอยู่ด้วยความประมาทมัวเมาบจงอยู่ด้วยในความไม่ประมาทอาระโสความกีดข้านไม่ให้มีมีความมันความกระยันขันแข้งเียว่าภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าและออกตั้งใจจริงๆ จึงจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดขึ้นในใจจะไปคิดดวดตาบอดเราจึงจะแก่หูหนวกเราจึงจะแก้ไปตกนรกเราจึงจะแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้แลแกในเวลาอยู่ดีสบายนะ แกเดี๋ยวนี้ได้อนาคตมันก็ อ, อันเกา่าแก้ใจของตัวเองไม่ได้มันก็ลหลงไหลไปอยู่ใต้อ น, นาจกิเลสลาคะโทสะโมหะอย่างนั้นอย่าหนึ่งนอนใจภัยอันตรายในโลกมันรอบด้านอยู่ นี่เป็นอบายเตือนเราทั้งหลายไม่ให้นิ่งนอนใจรีบลุกขึ้นภาวนาปฏิบัติบูชาสติความห ล, ลั่งได้สมาธิจิตตั้งมัน่นปัญญาความรอบดูในกองสังขาร เมื่อภาวนาให้มากจเจริญให้มากปฏิบัติเนะี่ยมันมากเหลือเฟือไว้จึงจะเกิดยานอันวิเศษลุกขึ้นมาละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปได้อย่าไปคิดว่ามันจะเลื่อนลอยมาไม่มีทาง ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาและเนี